มันน่าจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เพราะโดยในธรรมไอ้ควาทไปกินธรรมของพระท่านทำท่านผูดไดมีเหตุผลทุกอย่างมีเหตุผลทุกอย่างไม่น่าจะเป็ น, น, น, ปนอย่อนนอางนั้นมันจะเป็นทางไปได้แปลงงั้นไงแปลงงั้นขั้นแรกอันประมาณกระมังกระตาท่านี้ทรงเชื่ อ, อแล้ว ไม่ตัดตาไม่ไม่ไม่ต้องไเกี่ยวกับเรื่องนิ่ตัดตาหอย่างเงี้ยน้เดินจนเดินเ็นเดินไปเนมาเป็นเดินไปเดินนั้นเดินไปเดินเดินไปเดินมาที่เียเดินทาไมเดินกับไปกมาเหมนประโยชน์งน้มนคิแต่แต่คาจริงการเดินเป็นคนนี้มันมีประโยชน์มากการนั่งสมาธิมันมีประโยชน์มาก แต่จะมีบคนเราบางคนแรงในการเดินจริจร บ, บางคนแรงในการนั่งจะดูสง่าเป็นเป็นตัเป็นอยู่พอเราจะพึ่งกันได้จะนั่งจะละทิ้อย่างเดียวสนได้แต่เดินจะโค้งอเรางเด้วยม่พอที่ผ่านท่านสอนว่าวิทยาบทสการเดนการเดินการนั่งการนอนคนเราวันนี้อาศัยวิทยาบทอย่างนี้อยู่ ตะวมันจะแรงไปที่ว่าย the like ืนเดินนังนออะไรไปแต่แรงนี้ดมันถ้ามันเลยนไม่้องไปเข้านเข้ากันในตัวของมันอย่างเราวันหนึ่งคนหนงเดินกี่จมงนั่งกี่จมงนัางกี่จมูเท่าไรไปตั้งมันจะต้องจับถือเข้าก็เป็นการยืนการเดินการนั่งัารนอดเสมอการยืนเดินนั่งงานนี่ให้ตันอกันท่านบอกไว้นานธรรม วิทยาการปฏิบัติให้ปฏิบัติให้มันสม่าเสมอกันให้ให้วิทยาบทเสมอกันทีวิทยาบทคืออะไรคือการยื่การเดินการนั่งการนอนให้มันเสมออืคิดในออกคุณให้มันเสมอนี่เนืจะกต้องจะนานสองชั่วโมงกอยืนสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงนะคขึ้นไปแบบนี้หลยมั้อันตมายเาะว่าทำดูแบบ เงินตาไมไหวันไม่ไหวท่าไ่ไหแน่นอนเนี่ยจเดองชั่วโมงหือนั่งกองชั่วโมงเดินก่อนองชั่วโมงนอนนอนองชั่วโมงนี่เรียกวิยาบทมันเสมอไปทนี้เราเราฟังคิดนกันฟังตามแบบมคิดวิาบทเสนอนี่ันนาโคตถึงจิตของเราความรู้สึกของเรานั้น ไม่เพิ่นคำพูดทั่วไปคือทำผิต้องอาศัยปัญญาแล้วให้มันมีปัญญาให้มันสว่างเอาความรู้หรือปัญญาของเรานั้นนะแม่เราจิอยู่ปัญญากมดยืนรือเดิน น, นั่งนอ น, น ร, รูอมม้อยู่เสมออรู้อยู่เสมอเข้าใจอยู่เส ม, มอในอ า, มารมณ์อะไรต่างๆแม่ฉันจะยืนอยู่แครั้งจะนอนสตตาม จะเดินนิไัยหยุดจะชั่งเนี้ยแขนจะรู้อารมณ์อยู่เสมอันว่าอารมณ์ตัางหลายเหล่าเนี้ยมันจะเป็น อ, อ น, นิจจังทุขขังนาจาเท่านั้นแต่ความพูดอย่างนี้จะเป็นไปความรู้สึกกะรู้อย่างนั้นเป็ี่ยนไปจิตใจจะต้องเปลนอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์เมื่อเราจะเห็นอนิจจังทุขขังนาจาตลอดเนนวลาอยู่อย่างนั้นจะเดนจะรวนจะนั่งจะนอนมันมีก็เรียนไอย่างนั้นเี่ยเมื่อเรามันจะรักหรือมันจะเบียด วันในทิ้งปฏิปทาของมันมันรู้ของมันอยู่ในความในความถ้าสามารที่มันจิตมเป็นปฏิปทาสม่ำเสมอกันในตอรสม่ำเสมอตันมันลอยวางสม่ำเสมอกันสม่ำเสนอกันเนี่ยเด็กมันลอยวางสม่ำเสมอกันเ่ยครว่ามันไม่มันไม่อารมณ์ที่ดีตามสมุทปังขานั้นก็ยางดีตัวของมัน เม <N> ื่อมันรู้อารมณ์ที่ชั่วมันก็ ย, ยังมาดูตัวของมันมันไม่ได้ในความชั่วไม่ได้ในความดีแตพูดทั้งหลายเหลา่านี้มันจะตรงไปถึงมันอยู่ดีอืออุปยญาตินี้เอาส ม, มอไดถ้ามันมีนส ม, มุติปัจจัมันก็หนีไได้อ่าถ้าพูดถึภายในไม่พูดถึงภายนอกพูดถึงเรื่องจิตใจพูดถึงความพูึทีีอ น, นเราเนะถ้าจะอุปยญ จิตใจมันจะนองเสนอกันเนี่ยมันจะถูกสัมบเรณ์มันจะอยู่แค่นั้นมันจะถูกนิางามันอยู่แค่นั้นมันไม่ขึ้นขึ้นมันไยิ่งลยมันอยู่อย่างนี้ก็เพราะอะไรอ่มันรู้อันตรายรู้อุปสัรคอมไม่สิ่งทั้งหลายวันนี้เห็นโทษเห็นโทษในการสัมบเรณ เห็นโทษในการมีพาเสมอกันแล้วเรียกว่ามันสรุปันแล้วอังนี้อันนี้เรกว่บไอ้ความดุจจิตทางในมองดูบ้างในใน่มองดูด้านนอกอืมเนี่ยอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยถ้าเราฟังธรรมดาเนอะเนี่ยถ้าเปอารมณ์ที่ดีจิตของเราจะดีด้วยเนี่ยเราจะเห็นพรอกันแ่อารมณ์ที่ไม่ดีจิตของเราก็ไมสดีไม่ชอบเนี่ยมั่นเป็นกรดูอย่างนี้ นี่เรื่องไอเดียวดมันกำลัเสมอกันและมันกมาังเสมอไปว่ามันรู้อารมณ์บามันยึดดีจะรู้มันยึดชั่วจะรู้จักนี่ก็ยังดีกว่าแหละไอเดียวดที่มันกำลังเสมอแต่มันวางไม่ได้แต่ว่ามันรู้กมาังเสมออืยึดควนดีจะรู้จักเจ้าของยึดตวาชั่วก็รู้จักเจ้าของแต่ความยึดเช่นี้เนี่ยมันเป็นจริงที่ไม่ใช่หนทางจะรู้อยู่เนี่ยเข้าใจอย่างนี้แต่ว่ามันทํายังไงได้ ใ่ห้าสิบเปอเป็นเนี่ยด้วยเกตสิบเปอรเซ็นต์เนีะอืมไม่ไม่มีการปล่อยวางแต่มันรู้ว่าจะจะปล่อยวางตรงนี้มันจะสงบแล้วเมื่อเราพยายามทําไปแต่เห็นโทษในอารมณ์ที่ว่ามันมันชอบใจหรือว่ามันไม่ชอบใจหรือโทษในสัตว์เสริมเห็นโทษในการดินทาสมองสมอทั้งนั้นมันมีเะไรแตกต่นงมึงภาณัสสะสมองสมูทกันสัตว์เสริมก็สมองสมูกัน เราพูดถึงจิตคนในโลกนี่นะ่ะถ้ามินพาก็ได้โอ้ไม่ได้ดีผู้ใจล่ะถ้าถูกเขไม่เสืยเนะ่ะพูดมันชึ่ น, นแคน่ดีมันเป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติของมันเมื่อมันรู้ตามความจริงซะแล้วนั่ยน ะ, อ, อ, ะอารอมณ์ทีนนะ่เขามินพาเนี่ยมันก็มีโทษ อารมณที่เขาเสนอเสนั้นมันจะมีโทษจิตในเสนอเสวมันจะมีโทษจิตในสามัญภามันจะมีโทษนี่มันจะโทษทั้งหมดทั้งนั้นถ้าเราเป้หมายมั่นมันอย่างนั้นเมื่อเขารู้อย่างนี้เกิดขึ้นมานล้วมันจะดูสึบอารมณ์ถ้าเป้ามายมั่นก็เป็นทุกข์จริงๆมันทุกข์ให้เห็นถ้าจะยึดดียึดทั่วจริงๆมันจะเป็นทุกข์เป็นมา แล้วก็มาเห็นความทุกข์นั้นในความยึดทั้งหลายนั้นมันเป็นเหตุที่เราไปทุกข์ไอ้ชั่วจะจะทุกข์ดูจะจะทุกข์จับให้แน่นอย่างนี้เราเห็นโทษมันแล้วทำไมเห็นว่ามันเพราะเราจะยึดมันมาจะจะทุกข์ ม, ม, มันมาอย่างนี้จึงเห็โทษมันนั่นไม่สุติเอดที่รู้สังหาราจอยมันจะไปตรงไหนเนาะทางซอย ม่ะทางในทางคุดติศาสตร์ใแบบอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นเราฟังในจบเรื่องก่อนอย่าไปยึดมั่นถือมัน่นคือถ้าไปยึดอยู่ใจะใหญ่มัน่นเอาอาจักดีอย่างสายไหมนี่คืออะไราสายไหมไปยึดมันมาได้เราจะมาดูโอ้สายสายเราวางมันจะไปม่นี่ ยึดแบบนี้ถ้าว่าเราไว่ยึดเราจะทาอะไรไหมจะหมุนจะกลมก็ไม่ไรจะทําให้ต้องยึดซะก่อนครั้งแรกมันเป็นปัญหาก็ว่าในเวลาต่อไปมันเป็นบารมีอยังอยากมานี่ชาติโรลจะมาวัดตะพงต้องอยากมาก่อนถ้าชาโคลไม่รู้สึกว่าอยากมาแล้วเขไม่ได้มาแล้โยกเขไม่ได้มากันใครๆจะมีความอยากจะมานี่เนี่จริงมา นี่คือมาเด็กสมอยากเนี่ยเนี่อเนี่ยสมอากเกิดมาแต่ยึดมัน่นคือมาแล้วก็กับนี่คืออะไรสงสายเด็กจะยึดขึ้นมายึดเกิเอออันนี้มันมันใสายนะนี่นะแล้วปล่อวางเนี่ยนี่คือแยึดแต่ว่าไม่เห็มัน่นปล่อยวางรู้ละปล่อยวาง พู่ยาจะือรูรล่อยวางจับมาดูรู้ระอยวางต่อยวางล่อยวางแค่นั้นอันนี้ะสมุนเดนมันดีอันนี้สมุดมันจะดีรู้ได้กัลรอยท้งนีท้งเชื่อรู้หดเกวกับอยนีไม่ทําลยความโง่ไม่ยึดเดความโง่ยึดเปัญญาอย่างนี้อันนี้ปัญยาบทนี้เสมอได้ต้องเสมอได้อย่างนี้ปัญญาบทีเสมอได้ คือจิตมันเํานทำจิตให้รู้ทงจิตให้เกิดปัญญาเมื่อจิตมีปัญญาแล้วอะไรมันจะเหนื่อกว่า็นั่นเองแล้วการจะยึดมามันจะยึดไม่มีโทษยึดขึ้นมามันเหนื่อยมายึดปูแน่รู้และสว่างอารมณ์เกิดเกิดมาทางหูแล้วรู้ว่าเอออันนี้โลภะมันดีแน่วันสว่า โลกเขาว่ามันไม่ดีี่มันผัว่างมันรู้ดีรู้ชั่วไอ้คนที่ไม่รู้ดีรู้ชั่วจะยึดทางดีทางชั่วทางพกแหละคนรู้ดีรู้ชั่วเป็นต้นนะไม่ได้ยึดในความดีไม่ได้ยึดในควชั่วคนที่ยึดในความดีในความชั่วนั้นจะดีกว่านั้นคือคนในรู้ดีรู้ชั่วถ้่ทาที่เรียกว่าเราทําอะไรนะ ก็ระที่ว่าเราอยู่ไปนี้เราอยู่ไปเพื่อประโยชน์อะไรเราทํางานม น, นี้เราทํางานเพื่อต้องการอะไรแต่โลกเขาทำงานมา น, นี้ต้องการนันนนรนนนนน้นนี่เพราะว่าคนไม่เห็ผลถ้าสอนยิ่งไปกวนั้นดีทํางานมานี้ทําอะไรไม่ต้องการอะไร ทำงานในต้องการอะไรโลกไว้ต้องการงานมันนี่จะต้องการมันนั้นทํางานมันนั้นจะต้องการอันนี้มีผลอย่างนี้ชาวโลกีครับแต่พระสงฆ์สอนอ่ะทํา ง, ง, ทงานเพื่อทํางานไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรถ้าคนเราทํางานต้องการอะไรอยู่เนี่ยจะทุกข์อลองดูลองไมได้ พอนั่งคุกไปมีให้ต้างครขอบโง่คนทั้งหลายนั้นกัดตามอย้าคุกเลยหลลองลองดูสิเอนาละเอียดกันอย่างนี้คือทำเลือกร่อยวางทำเลือกร่อยวางมีปัญหาถามในพระพุทธามาพรามพระบูชายัน ก็ต้ อ, องการสิ่งนศึกษาปรารถนานั่นอยู่ดังนั้นการกระทำเช่นนั้นของความนั้นจะมีผลทุกเพราะก็มีความปรารถนาอยู่จริงทัศแน่อันนี้ทางเลือกะทํารปรารถนาให้มันเป็นอย่างนั้นทําไปทําไปไม่ได้ทำํำจนกว่าที่เรียกว่าไม่ปรารถนาอะไรแล้วทําเพื่อปล่อยวาง แต่ไะทำไปอันนี้ทำนี่มันเป็นเป็นตัดแตังมันอยู่ลุกลุกขึ้นอย่างนี้คนเราจะทำเนี่ยทำนี่เพื่ออะไรเพื่อต้องการผลิตภัณฑนั่นแหละไม่ได้ผลิตาัณฑ์ในนี้เนี่ยต้องการในนี้เ พ, พื่อให้มีความสงบกัะก็เป็นธรรมราดาแต่ว่าไม่ถูกเหมื้นกัาจะทำแตไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้น ไม่ต่การอะไรบาที่มันจะเป็ น, อ, ป น, อ, ะปนอะไรก็ ไ, รมางงาไม่เป็นอะไรถ้าเป็นเรากระทบกค่นั้นเองผู้ทางานใน่เป็นอะไรนั่นแต่สันติเห็นว่าแต่การก็ทํามันมีอยู่ให้ความว่างใน้สอนนี่ฟังคู่มือคนฟังมาดูเยอะแต่คนทาไปจะรู้จากความว่างนี้ประโยชน์ในใจมันว่างในสิงที่ว่ามันไมมีมันว่างในสิ่งที่มันมีอยู่เช่นปลายายนี่เนะี่ยมันไม่ว่าง เราเห็นไฟสายนี่มันว่ามันว่าว่างเพามีไฟสายมีไฟสายนีย่เป็นต้นเป็นเหตุห้ว่างยว่ามงเห็นนาดนั้นไม่มีอะไรเลยมันว่างไม่ใช่่างนั้นตงนั้นคนฟังความว่างก็ไม่ไออกเหมือนกันไม่คเคยรจักงนั้นต้องเข้าใจความว่างในของตัวนี้ ในเจ้าระความว่างในของที่ไน่มเอาคิลองลองเลยพีอ่อย่างนี้ <c oughs> นี้จะต้รักใครยังมีความปรารถนาดูอย่างตามที่อูชายันทมทำไมเขาจะมัวชายันเขาต้องการอานนี้อันนอยู่มุ่งกันประโยมมาเช่นาราปะโอ้ยห้องพ่อของรถน้าทำไมดยทาไม ต้อการดีดีจริงดีนี่มันจะไปให้นั่นแหละมันในพลทุกอย่างมันต้องการอย่างนงั้นดีดี่ะมีต้องการจะมีหรือผลทางโลกเขาต้องการมีหรือผลทาโลกเขาทำงานทำอะ้นเพื่องั้นมีผทางโศาเขาทำงานทำไม่มีเพื่ออะไรทำเพื่อประกยชน์ทางโลกก็ททางานทำอะไรเรื่องมันมีผล แล้วพวกกรงกันสอนน่ะให้นอกเศดเหนือผลจะทำอะไรสัญญาของท่านให้นอกผลเหนือผลให้นอกเกิดเหนือตายไปนอกสุขเหนือพุกข์ไปล้วคิดไปตามจริงเราพิจารณาไปตามนี้ม <geht> ีที่อยู่คนนั้มีที่อยู่มิอยากว่างไปมีที่อยู่มีที่อยู่ เพราะเราวียอยู่ในภพอยู่ในคยึดมัม่นถือมั่นเปนภพถ้ามยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เดีว่าไม่ดูจะทาอะไรเหมือนยมว่าไปิายมอ ย, ยากไปเราไม่ไดมีอะไรเลยไม่มีอะไรนังคาเนี่ยตะกู้ใชที่สุดพงบนอังคา ที่สุดทางล่างคือที่ยืนอันนั้นมันพบทางบนเนี่ยอันนี้มันพบทางล่างและญาติพ่อพบทางสองนี้มันต่อากันบางว่าคนไม่รู้จักไม่มีที่อยู่อย่างนั้นจึงไม่มีจักที่ว่างเป็นที่อยู่ของคนเนี่ยอยู่แต่เพียงในวนนครมีที่อยู่ลงมาทางล่างไม่มีที่อยูนยาตนี่ไม่มีอยู่ไม่มีที่อยู่มันว่า ที่ไม่มีภพเนี่ยเราก็รู้จักละมันมีพเนีเป็นมีู่ที่อยู่ของเราอที่ไม่มีพแต่เดเยยเเียว่ามันว่างจับเยื่อเนี่ยว่าัฏฏิพานมันว่างถอยหลังไม่ไปปวดรัวกลัวจะไเห็นลูกกลัวจะไม่เห็น ด, นดานกลัวจะไม่เห็นอะไรอะไรง น, นั้นเนี่ยนะอย่างนั้น หหหห ย, าาายาหย า, า่นั้นเป็นเพีงให้ให้ให้พรญาติโยกะ่าอายุวันูั้งพลังโยมดีเดซาถีงจะอายุหลายวันนับผ่องสายมีความสุขมากและมี ม, มีพลังใ น, นหลายมีคนชอบคนชอบใจแต่พวกจะไม่มีอะไรแล้วเลิก เราแล้วเนี่ยคนมาจุดอยู่ในพุทธเนนบอกตงนั้นตปหนไม่ไปเลที่อยู่แหละอายุันโนสุขขาสลาเออดีแล้วอายุมีนานเนี่ยวันโนมีบันน่ะผิวพันสวยงานมีสุขมากมากมียืดเยื้คนอายุดอยู่มีผิวพันดีเนี่ยสวยเลย คนอายุได้หลายมีพลังมากๆดีไหมคนอายุมากๆมีามสุขมากๆดีไหมอายุวโนสุขังพลังสาบุดีใจกันตรงนั้นทัรงสลาเลยอายุวาโนาสุขสลาเนะมยดีใจนี่แหละม่นติดวิริพุทเนี่ยอย่างนั้นปราบูิาญานเพื่อต้องการอะไรก็จึงบิทยาน เพื่อต้องการสิ่งทีาปรารถนาก็่เป็นวิญญาณของเา้า อ, อันนี้น่จ๊าบที่เรามาปฏิบัตินี้ไม่เป็นวิญญาณาไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอะไรถ้าต้องการอะไรมันจะมีอะไรอยู่คือทำให้ว่ามันสงบ มันจบเรื่องของนแกพูดในฟังอย่างนี้ก็ไม่วสบายใจเลยอยากจะมาเสอีันนั้นอีกสารภาพอย่างนี่มันพวกปฏิบัติสงหลา ย, ย, าา ย, ลายมีอุบาตกนี่นะอุบาตุตัวคนยู่ทั้งหลายเนี่งมีอุบาตกก็ไป็นไกระความรู้ก็เป็นไกระ ให้ความเห็นข้าไอใกล้ชาเป็นผู้ปฏิปปโนอุสปฏิปปโนยายาปฏิปปโนสามีจีปฏิปปโนให้เข้าไปกใกล้ช้าใกล้ชาก็คือใกล้กับพระเจ้าคือใกล้ธรรมะองค์ขั้นนั่นเองใครใกล้ธรรมะก็ได้ใกล้พระเจ้านะอันนู้นให้การทาไห่มากใาจการเจริญไห่มาก ใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมพระพุทธเจ้าอยู่ตรงไหนละ่ะเจ้าไปนึกว่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามาถวะพรทเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าคือธรรมะคือแต่ จ, จะทำใ น, ในเรื่อยๆบางคนเป็นออกปากโผล่มาเอ้ยคาราบุ เกิดพันพระพุทธเจ้าเราจะตายอกันแหละแม่ไอ้ความโง่มันดูตมงไอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ตัว น, นี่ใครบา้าคนอย่าวมีผ่านเพราะพระพุธทธเจ้าคือสัจธรรมสัวธรรมมันจะจรินอยู่อย่างนั้นใครจะเกิดมาจะมีอยู่อย่างนั้นใครจะตายไปก็มีอย่างนั้นสัจธรรมนี่มันถือไปจากโลกเป็นอิทธิ์น้นี่อยู่ตลอดเวลาอย่างนั้ น, น พระพุทเจ้าจะเกิดมาคนนี้ไม e ่เมาคใครจะรู anyway. okay. ้คนนี้ไม่รู้คนนีอยู่อันนั้นมันนอยู INS ่อย่างนั้นเน่ฉะนั้นจึงหมายดใกล้พระพุทธเจ้าใกล้ของพระพุทธเจ้าอนาม้ามเรนาบธมให้เราไปถึงสัมมาเมื่อไปถึงสัมมาเราก็ถึงพระพุทธเจ้าเมื่อเรียนสัมมาสืบพระพุทธเจ้ามันจะหายจนใสสงบแล้ว ปุ้ยจักคือธรรมะธรรมะก็คือปุย้ยจิต่าเป็นอย่างนี้ถ้าพูไง่ายๆอย่า ง, างครูชูพยาชูแต่ก่อนเป็ น, นเป็นครูเกิดม า, างสั้งแรกไมเป็นครูรอเป็นนายชูมาเรียนวิช า, าของครูสอบได้ ไปบรรจุเป็นครูเพราะเรื่องของครูชูจะเป็นครูเพราะอะไรเพราะวิชาของครูจึงให้นายชูเป็นครูชู น, น, นี่ไม่เป็นนี่กาว่าจะไปเป็นครูนั่นก็เพราะเรียนวิชาของครูวิชาครูที่มีเป็นครู มในตัวครูเพาะวิชาของครูครูจะมีไปเมื่หน้าภาพไปแล้ววิชาของครูก็ยังมีอยู่ใครจะไปเรีมวิชาครูไปสอบวิชาครูนี่ได้ก็ยังเป็นครูอยู่คนนั้นก็ยังเป็นครูต่อไปวิชาของครูนั้นไม่จะหายเพีเยงแต่จตธรรมยังมีอยู่ในโลกเหมือนเจตธรรมที่ทำให้พระพุทธองค์ยินพระพุทธเจ้า อย่านั้นเป็นกิเหสพระพุทธเจ้ายังมีอยู่อย่นี้อย่างนัใครปฏิบัติไปแต เ, เห็นธรรมะเห็นธรรมะเห็นพ ร, ระพุทธเจ้า อ, อย่างนี้คนหนึ่งเนี่ยมองพระพุทธเจ้าไปตรงไหนก็ไม่รู้ไม่รู้จักถ้าฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็คงจะเป็นลูกศิษย์ได้ไม่ได้ตัดกันไปเลยนะาูพูออดออมาดสโง่ อย่านั้นอันนี้ให้ความใจคิดเป็นกิจที่สำคัญ ม, มากนนแล้วการปฏิบัติของเราก็เหมือนเมตอยากให้ควาใจบางเรื่องเาษาแล้วก็จิดล็อกปฏิบัติเนี่ยไม่ได้ไอ้ความชั่วมีเพู่เดียวจะหนุนข้าตคนก็ได้ทํำกำหนักสุดสุดแล้วไอ้ความดีพู่อเดียวคณากิจเดียวเดนั้นไปได้แล้วหน่นอนให้เข้าใจอย่างนี้ จะถระเจาแบบใช้บวชมานานมีจะภาวนายังไอยากไอ้คณะที่มั น, น, นถูกต้องไอ้เราทำคำไอ้คำชั่ววูบเดียวเท่านั้นให้คำํ า, า, าหนักได้เลยไอ้คำชั่วรูปเดียวยิ่งตังของเราสาวกทุกวงทันปฏิบัติานานนานเมื่อนมโยนได้จะสึงมันคณะเดียวกัยนี่่าไปประมาทในเรองของเรียกไม่ น, น้อย่าไปประมาท วยาบทที่เรามีอยู่นี่พยายามงัน้นถเราไปอยู่สระเราใส่ผ้าแผดพิจานณาถึงจะดูอย่านั้เอ่อใส่ออออใจดีๆเนีออ่ยอาไคนนี่มันจะหลายทุ่มเลยนะมันน้คน้างคำจะง่วงนอนจะมีนะพระพุทธเจ้าไ ม, ไม่ไม่เชื่อในคนง่วงนอนฟังนะให้คนดูนตาฟังดูใจฟังนะ